บ o ๊กทูสี่สบเอ็ที่ไหน o r i e n t a t i สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะที่ทัริติกาอินฟร์มชนาคานซลาร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 พิพิธภัณฑ์อย um? ู <S S ่ที่ไหนแกลเลอรีมูเซียมซื้อสแตมม์ได้ที่ไหนซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนซื้อตั๋วได้ t ี่ไหนซื้อตั๋วได้ที่ไหน p i ้ CESTOVNÉ LÍSTKY? ท่าเรืออยู่ที่ไหนยียปริสต้าตลาดอยู่ที่ไหนยียตรัปราสาทอยู่ที่ไหนยียซามกการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยชี้นับประหลีตค่ะการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ เกิดิคนชีประจ a จต์คะการพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่คุณ h ้องการทั a ร์ว่า a ระจิจดิฉันต้องการมาคุเทสที่พูดภาษาเยอรมันดิฉันต้องการมาคุเทสที่พูดภาษาอิตาเลียน Chcel, chcela prievocu, by som pr cu, k ฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศสฉันต้องกา c u ktorý hovorí p o f r a n c ú z s k y